ปวดเนียวนะกันมาแังไม่รู้มาจากคุณผีเนมยแต่สิ่งที่ไม่ีที่เราต้องพบันลแล้วเวลาขนาดไปปฏิบัติธรรมากแค่ไหนนะวจับผิดกนะันเลองเืช่องพอก็ไฟถ้ิดตึ้งจับเต้องลเลียดไม่ี่มีเพื่อกจับที่มันเดินนะ เดินเอาผ้ามาผูกเท่านุ้๊มันไม่ขอโทษเลยเดียวแค่นั้นแหละแค่ผ้าปัดนิดเดียวแค่นั้นมัเป็นเรื่องได้เลยนะผ้ามนเป็นนะผที่ไม่ตกเลยก็่หท่นั้นเดินเดิที่สู่้ที่ใส่าลงอครืองเดล่นว่าเป็นผูรของ จะปต้องเคียเลยเียเ้าจจพระว่าไปฟ้องคุณยายไเลภาษาที่คนณจะพูดดูดหน้าขนาดท่านเดินท่านนั่งอยู่ที่สงบเสียเงียบอย่เดีเดินไม่ได้ครับเดินไม่สนใจเลยวิวันพึ่บเขียดหน้าเลยคาโอล์เขืองมาก มักกงแตงดูผูกงอ ม, มากผจะเยียดยามเราเี๋ยมันจะมน้สเยีดมากไหนบอกว่าบทต้งมาแล้ ว, าาวาาลสาพรนะรเจ้ายกย่องเป็นอัครสาวกขี้อยู่น่ะเป็นพระจ้าลพระเจ้าเรียกพระาษฎรถามพระราษฎรพระรจ้าบอกว่าข้าแต่พ่อของพุเตยเรื่องนี้พระริจ้าถามว่าเธอใจคิดดีนี่ไหม ที่เหนที่ใจขอบท่านนี้คิดนะาษาญี่ปุนเขาบอกว่าข้าแต่พระองค์เพิ่เลยพระพุทธเจ้าร่วมสร้างพระข้าพออกไปพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนาษาญีุ่นตามธรรมดาบัญญตเขาไม่กล่าวแบบนีนี่รู้ได้เลยท่านประกาศคุมเลยท่านบอกว่าใจของข้าพเจ้าไม่ดีใจของข้าพะอ ใจเราข้าโตะองค์กระดุกเหน้ํเหองไฟเข้าโต๊ะเหมือนแผนดินเนี่ยคนเราขอสะอาดบ้านด้วยสะอาดบ้านมาเกล่าด้วยแผ่นินก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวแม้แต่ใดข้าโต๊ะองค์ก็บรรลุมาไม่เคยหวั่นไหวต่อโลกกระตอมแม้สุดวัยปุ๊แม้แ้สุดเล้าที่ไม่เคยหวั่นไหวเลยใจรขาพระองค์กระดุกเหน้ำ ไม่รังเดียจไม่อิจฉาละาใจแต่ของสะอาดใมสะอาดมีไฟมีลมข้าก็องเหมือนหิ้โคเขาขาดดำเนินชีวิตไปเนี่ยไม่โคเขาขาดที่ปุกมาดีแล้วไม่นำเขาไปกระทบซ้ายหรือขวาทีตันหามานะที่ถิงข้าลงหมดแล้วจากนั้นจึงไม่มีสภาพจิตใจที่เที่ยวไปเกี่ยวขอละลางยื้ ถ้าพระองค์เหมือนกับเด็กสังทารือภาชนะเขาพี่เจินขอไม่มีจิตใจเยื่อยิ่งหรือแม้มมแต่นเียยิ่จิตใจนอกของสภาพจิตของข้าพระองค์เหมือนผ้าเช็ดต่ดเป็น้าเช็ดตูีเนี่ยคนเอาของสะอาดบาไม่สะอาดบ้างเาไปเช็ดของสะอาดมันก็เป็นสตุลสานของสะอาดมันก็เป็นสตุลสานเนี่นกันจิตของข้าพระองค์ก็เปเี่น ภาพร้องไห้ภาร้องไห้นี่สภาพผิดเป็นอย่างนี้ภ า, า, า, า, า, า, า, าพอะไรเอย่างนี้านตํมบลตําาบลชาเราหอนหูทไมเราไปคิดกับภาพแบบนี้เนี่ยภาที่มีสภาพผิแบบนี้เราไปคิดหูเราไปป้งแต่งมันเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยทำให้เราบากขนาดไหเนี่ยเห็นไหนีสภาพผิดของภษานเป็นนี้เห็นพวกเราไม่ได้ ทีกไันจะมีจับแล้วคถึงใคมันจะพลอยมันเหมือนปัญญานะจะไม่ใช่นะเห็นทหมดมุมไม่ดีตั้แต่ล้วบุคนมีเก็บมามาบมใจพอเขาบอกคนนั้นดีนะโอกฉันเห็นแล้วดีแล้วจะเป็นยางั้นจริงไหจิตของเราเที่ยวจะเที่ยวชาบชาบจะเรื่องทุ่ง่ายม ถ้าใครไปนั่งจับผดใครเนี่ยเราจะจับเองด้วมากแต่เดี๋ยวไปจับโผลกล้หามันก็จะมองมันไออกมันมันไม่ชงนาญเนี่ยมันไม่ชงนาญในการมองข้อยิ้วอูจะมองข้อเสียเก่งมากรือไเก่งจริงแ้เดียกลับก็ได้รเรียนจะนัา่า